บุ๊กทูหกดับเอ็ดลำดับเ vi เดือนแรกคือเดือนมกราคม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 Uar, February, มกรแยนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนมายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนพฤษภาคมและมิุนายนเดืานพรษาคมิเมษานคือลมเดือนพาคมิายเนคมแิเนคเมษานคิาเนาคมเมิมเษเยยลิเนแคเนิาคม o s m ์ m i e s เ c เซตเซ่ออเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน d e v เ t ต m i e เ e c ซตเซ่เซปเทมเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมเดเซติมิเอเซตเซ่ออกตุเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน เดือนเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมสิเดบสองเดือนคือหนึ่งปีเดวนกดากคาคมสิงหาคมกันยายน ยูลีออกสุษเซปเทมบรตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมออกตบรโนเวมบรอีเดซเซมบร